27วิธีทําจิตให้ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิวงเล็บเปิดยี 22. มกราคม2552ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดการภาวนาไม่ได้ยากอะไรขั้นแรกเลยรู้สึกตัวขึ้นมาให้เป็นก่อนผู้ปฏิบัติส่วนมากไม่รู้สึกตัวผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่มุ่งไปทําความสงบมันฝังอกฝังใจอยู่อย่างเดียวว่าต้องสงบถึงจะเกิดปัญญาคิดอยู่แค่นั้นถ้าถูกต้องนะต้องบอกว่า ต้องมีสัมมาสมาธิถึงจะเกิดปัญญาเราไปแปลมักง่ายเราไปแปลสัมมาส ม, มาธิว่าจิตสงบจิตสงบกับจิตตั้งมั่นไม่เหมือนกันนะสัมมาส ม, มาธิคือจิตมันตั้งมัน่นจิตมีความตั้งมั่นไม่ใช่จิตสงบจิตฟุ้งซ่านก็ได้แต่จิตตั้งมัน่นฟังแล้วก็แปลกนะหลวงพ่อพุธเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนานแล้วตอนนั้นฟังแล้วยังไม่เข้าใจท่านท่านบอกว่าท่านอยู่กับหลวงปู่เสาสมัยนั้นหลวงพ่อพุธเป็นเนน วันหนึ่งหลวงปู่เสาก็บอกกับเนนพุทธว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดเนนวันนี้จิตของข้าไม่สงบเลยปิดเครื่องหมายคำพูดเนนพุทธฟังแล้วงงเขาลือกันว่าท่านเป็นพระอรหันต์ทำไมพระอรหันต์จิตไม่สงบเลยจริงๆ จ, จิตท่านตั้งมั่นตลอดเลยจิตไม่มีเคลื่อนไหวคลอนแคลนเลยไอ้ตรงที่มันไม่สงบคือขันมันทํางานทีนี้พวกเราไม่เข้าใจเลยคิดว่าต้องสงบก็พยายามน้อมขันให้มันสงบ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 ไหลไปไหลามาไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้เรียกว่าจิตฟุง้งซ่านส่วนจิตตั้งมัน่นจะเห็นจิตมันไหลไปมีจิตอีกดวงหนึ่งตั้งมั่นเป็นคนดูสบายๆไม่ได้บังคับให้ตั้งมัน่นฉะนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างจิตที่ไหลไปถ้าไหลไปโน้นไหลไปนี้ไหลไปแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ตลอดเวลาเรียกว่าจิตฟุง้งซ่านถ้าไหลไปแล้วไปนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่น ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจไหลไปอยู่ที่ท้องพองยุบไหลไปอยู่ที่เท้าไหลไปอยู่ที่มือไหลไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วเกาะนิ่งๆอยู่ที่นั้นเขาเรียกว่าสงบอยู่ในอารมณ์อันนั้นสงบอยู่ไม่ใช่ตั้งมั่นอยู่แต่ตั้งมั่นอยู่น่ะสงบตัวที่ตั้งมั่นนั้นมันสงบขันจะเคลื่อนไหวไปมาถ้าเคลื่อนสเปะสปะเคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาเคลื่อนอดีตเคลื่อนอนาคตเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านถ้าเคลื่อนไปนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเขาเรียกว่าเคลื่อนไปสงบ จิตที่สงบอย่างจิตของพรมทั้งหลายยังเป็นจิตส่งออกอยู่มีเคลื่อนไปส่วนผู้ปฏิบัติเราจะฝึกจนกระทั่งจิตของเราตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นไม่ไหลไปไหลามาแต่ไม่ได้ประคองเอาไว้ถ้าประคองเอาไว้ก็ยังเป็นจิตสงบอีกฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่นนี่สําคัญมากถ้าปราศจากจิตที่ตั้งมั่นจะไม่เกิดปัญญาอย่างพวกเราหลายคนไปภาวนาเข้าวัดเข้าคอสบางคนเข้าคอสหลายหนลําบากลําบนมากมายกินอยู่อะไรลําบากไปหมด ยืนเดินนั่งนอนลำบากไปหมดเลยเครียดมัวแต่เพ่งๆบังคับไว้อย่างเดียวบางคนก็ไปนั่งสมาธิเคลิ้ ม, ล, มลืมเนื้อลืมตัวนี่ล้วนแต่ใช้ไม่ได้เลยเหมือนเหมือนกันพวกหนึ่งภาวนาแล้วเคร่งเครียดพวกหนึ่งภาวนาแล้วเคลิ้ ม, ก, าาา ม, มก็ใช้ไม่ได้จิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จะมีลักษณะเด่นคือมีความเบาเรียกว่าระหุตามีความอ่อนโยนนุ่มนวลเรียกว่ามุทุตาไม่ถูกกิเลสตัณหาใดๆครอบงำ ควรแก่การงานถ้าถูกกิเลสครอบงำอยู่ไม่ควรแก่การงานเรียกว่ากัมก từ, กมัญญต า, าจิตที่ตั้งมั่นอยู่จะมีความคล่องแคล่วในการรู้อารมณ์ไม่ใช่ซึมกระเทือเครียดเครียดแข็งแข็งเรียกว่ามีปาคุณยตามีความคล่องแคล่วจิตที่ตั้งมั่นอยู่จริงๆจะมีความซื่อตรงในการรู้อารมณ์อารมณ์ใดปรากฏก็รู้ซื่อๆรู้แล้วไม่แทรกแซงเรียกว่าจิตมีความตั้งมั่นถ้าจิตมีความตั้งมั่นอยู่จะเกิดปัญญา จะเห็นกายเห็นใจนั้นแสดงไตรลักษณ์ในทันทีมีคําว่าในเครื่องหมายคําพูดในทันทีด้วยจะเห็นทันทีเลยไตรลักษณ์จะปรากฏขึ้นกายนี้แสดงไตรลักษณ์ว่าไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็แสดงความเป็นไตรลักษณ์ว่าไม่ใช่ตัวเราในทันทีที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาทีนี้พวกเราภาวนาบางคนตั้งหลายปีแล้วยังไม่เห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์เลยมีแต่ความรู้สึกว่ายิ่งภาวนายิ่งเที่ยง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 อย่างหลายคนนั่งภาวนาทนเจ็บทนปวดได้นั่งโตรุ่งได้พอหมดเวลานั่งมันภูมิใจลึกๆว่ากูเก่งกูเก่งขึ้นมาอีกถ้าภาวนาแล้วกิเลสหนังไม่ถลอกเลยอาจารย์มหาบัวใช้สำนวนนี้กิเลสหนังไม่ถลอกเลยหนังใครถลอกหนังเราน่ะสินั่งนานๆหลายชั่วโมงก็ถลอกนะไม่ใช่ไม่ดีบางท่านต้องทำอย่างนั้นบางท่านต้องทรมานเป็นพวกทุกข์ขาปฏิปทา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 ตามกิเลสไปทางโน้นตามกิเลสไปทางนี้อยากได้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายสายแสไปเรื่อยมีการมาราคะแทรกอีกอันหนึ่งคือเข้าไปจอนิ่งๆอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้เป็นกิเลสชั้นสูงเรียกว่ารูปปาราคะบ้างอารูปปาราคะบ้างจิตน้อมลงไปนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวบางคนพออกพอใจในการเพ่งรูปมีรูปปาราคะบางคนพอใจในการเพ่งความว่างเพ่งนามทั้งหลายแล้วก็มีความสุข ความเพลิดเพลินพอใจอยู่นี่เรียกว่ามีอรูปปราคะเห็นไหมมีกิเลส ท, ทั้งนั้นเลยยิ่งภาวนาไม่ได้ลดกิเลสหรอกมีแต่สะสมกิเลสไปเรื่อยๆส่วนจิตที่ตั้งมั่นอยู่จิตจะไม่ไหลไปไม่หลงไปจิตมีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนมีความคล่องแคล่วว่องไวในการรู้อารมณ์ไม่ถูกกิเลสไม่ถูกนิวร์ใดๆครอบงำจิตอย่างนั้นถึงจะควรแก่การที่จะปฏิบัติธรรมจริงๆอย่างเราลงมือปฏิบัติ จะไปเดินจงกรมเราก็อยากแล้วเดี๋ยววันนี้อยากเดินอยากเดินมันก็อยากนั่นแหละตอนที่หลวงพ่อยังไม่ได้บวชประมาณปี2527ถึง2528เข้าไปที่วัดแห่งหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาก็จะไปภาวนาใจมันอยากภาวนามีพระองค์หนึ่งท่านตะโกนข้ามสระน้ำมาเลยบอกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดปราโมทอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วปิดเครื่องหมายคาพูดนี่สอนมาอย่างนี้นะสอนกลางอากาศเลย เสียงสะเทือนเลื่อนลั่นเราก็โอ้แค่อยากปฏิบัติก็ผิดแล้วไม่ต้องพูดถึงการลงมือปฏิบัติไปตามความอยากเลยแค่จุดสตาร์ทก็ผิดแล้วกลางทางปลายทางมันจะถูกได้อย่างไรให้รู้ทันนะใจมันมีความอยากให้รู้ทันอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วถ้าอยากปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติสิ่งที่ตามมาคือการเพ่งถ้าไม่เพ่งกายก็เพ่งใจมีเท่านั้นแหละฉะนั้นลงมือทาก็ทาได้แค่นั้น ไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้จริงหรอกฉะนั้นให้เรารู้ทันใจของเราใจเราไม่มีกิเลสตัณหาใดๆครอบงำจิตใจอ่อนโยนจิตใจเบาสบายจิตใจปราดเปรียวจิตใจรู้อารมณ์ทั้งหลายซื่อเกิดอะไรขึ้นนะรู้ซื่อหลวงพ่อคำเขียนชอบพูดรู้ซื่ อ, อท่านเก่งนะพยายามไปเรียนกับท่านบ้างจะได้เฉลี่ยกันไปใครไปหาท่านท่านก็บอกให้มาหาหลวงพ่อปรามโมทเราก็ต้องเอาบ้างแล้ว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 รู้ซื่ อ, อไม่ต้องไปดัดแปลงไม่จำเป็นต้องดีเสมอไปหรอกชั่วกับดีก็พอๆกันแหละฉะนั้นหัดรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวแล้วก็คอยรู้ทันจิตจิตมันไหลไปไหลามาเราคอยรู้ไว้ถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลามาเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาตั้งเองอย่าไปดึงไว้ถ้าจงใจไปดึงไว้ใช้ไม่ได้จะเคร่งเครียดแต่ถ้าจิตวิ่งไปดูรู้ทันจิตวิ่งไปฟังรู้ทัน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 หัดรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมัน่นแล้วจะเกิดความตั้งมัน่นถ้าเรามีทั้งสติมีทั้งจิตที่ตั้งมัน่นสิ่งที่จะได้ทันทีเลยคือปัญญาปัญญามันจะเกิดขึ้นมันจะเห็นว่าทุกสิ่งที่สติไประลึกรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราเหรอกจิตมันเป็นคนดูอยู่ตั้งหากมันเห็นกายเคลื่อนไหวกายนี้ไม่ใช่เรามันเห็นเวทนาแทรกเข้ามาในกายก็เห็นเวทนาไม่ใช่เราเห็นเวทนาแทรกเข้ามาในจิตก็รู้ว่าเวทนาไม่ใช่เรา เห็นกุศลอกุศลแทกเข้ามาในจิตก็รู้ว่าไม่ใช่เราเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้ง6 ก, ก็รู้ว่าจิตก็ไม่ใช่เราอะไรอะไรไม่ใช่เราทั้งหมดเลยให้ใจตั้งมัน่นใจตั้งมั่นนี่สําคัญมากเลยในพระไตรปิฎกจะพูดถึงเรื่องการเข้าฌานการเข้าฌานก็เป็นการฝึกให้จิตตั้งมัน่นส่วนใหญ่ที่พวกเราเข้านี่มันไม่ใช่ฌานแท้ๆส่วนใหญ่ที่นั่งภาวนางอกๆแง่ๆนั้นน่ะนั่งขาสติไม่ใช่ฌานหรอก ยิ่งนั่งยิ่งโมหะมากยิ่งสติไม่มีถ้านั่งเข้าชานไม่ขาดสติรู้เนื้อรู้ตัวตลอดหายใจก็เห็นร่างกายมันหายใจไปเรื่อยรู้ไปจนกระทั่งใจมันสงบรวมลงมาเห็นลมหายใจเป็นแสงสว่างที่แรกก็เป็นแสงเป็นเส้นๆเป็นเส้นเป็นเกลียวไหลขึ้นไหลลงต่อมาดูไปเรื่อยแล้วแสงมันจะรวมเป็นดวงขึ้นมาดูดวงนี้ย่อได้ขยายได้นะดวงสว่างดูไปดูมาจิตมีปิติขึ้นมาแล้วมีวิตก ก็คือการตรึกถึงดวงกสินนี้มีวิจารก็คือใจเคล้าอยู่ในดวงกสินนี้โดยไม่ได้เจตนาก็มีปิติขึ้นมามีความสุขจิตใจไม่หนีไปไหนเลยจิตใจจดจ่ออยู่ในดวงกสินนี้เรียกว่าปฐมฌานได้ปฐมฌานไม่ขาดสติหรอกไม่ใช่นั่งครอกลงไปอย่างนี้แล้วบอกว่าเข้าฌานไม่ใช่อันนั้นเข้านอกฌานนะลงไปเลื้อยอยู่ตามพื้นฉะนั้นรู้สึกตัวเรื่อยๆนะเห็นจนกระทั่งใจมันตั้งมั่น ใจตรงที่ทำฌานมามันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมันตั้งได้นานในพระไตรปิฎกจะพูดถึงว่าพอออกจากฌานมีจิตที่เบามีจิตที่นุ่มนวลมีจิตที่ควรแก่การงานมีจิตที่คล่องแคล่วว่องไวมีจิตที่ซื่อตรงในการรู้อารมณ์แล้วให้โน้มน้อมจิตนี้ไปเพื่อยาณทัศนะคือใช้จิตนี้แหละมีสติไปรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นตัวนี้ก็จะเกิดยาณทัศนะขึ้นมา ฉะนั้นเครื่องมือสองตัวนะตัวที่หนึ่งมีสติตัวที่สองมีความตั้งมั่นของจิตไม่ใช่ไหลไปแช่ในอารมณ์ฉะนั้นมีสติฝึกสติก็คือหัดรู้สภาวะไปสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นทีนี้เราเข้าชาญไม่เป็นเราก็ใช้วิธีทางลัดเอาถ้าเข้าชาญได้มันจะได้สมาธิลึกในขั้นอัปปนาสมาธิถอนออกมาอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิยังดูสภาวะต่อได้ แต่ถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้เราก็รู้สึกเอารู้ทันจิตที่ไหลไปจะได้คณิกกะสมาธิได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งแต่แค่คณิกกะสมาธิก็พอจะเป็นพระอรหันต์ได้แล้วถ้ามีนะส่วนมากไม่มีกระทั่งคณิกกะสมาธิมีแต่สมาธิเพ่งใจเพ่งๆแข็งๆเครียดๆซึมๆนั่นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิค่อยฝึกไปนะฝึกไปให้กันบ้านอันแรกเลย หัดรู้สภาวะไปความโลภเกิดก็รู้ความโกรธเกิดก็รู้ความหลงเกิดก็รู้ดูไปเรื่อยแล้วใจมันไหลไปที่ไหนก็คอยรู้ไปถ้าใจไม่ไหลไปใจตั้งมั่นอยู่แล้วมีสติความโลภเกิดมันรู้ได้เองความโกรธเกิดมันรู้ได้เองความหลงเกิดมันรู้ได้เองฟุ้งซ่านหดหูเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดขึ้นรู้ได้เองโดยไม่ต้องจงใจรู้เรียกว่าสติมันอัตโนมัติอย่างนี้ใช้ได้แล้ว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 เห็นร่างกายนี้หายใจไม่ใช่เราหายใจเห็นร่างกายยืนไม่ใช่เรายืนเห็นร่างกายนั่งไม่ใช่เรานั่งเห็นร่างกายนอนไม่ใช่เรานอนจะเห็นอย่างนี้เลยพอไม่เห็นความสุขความทุกข์ก็จะเห็นเลยว่าความสุขความทุกข์เป็นของแปลกปลอมเข้ามาในกายในใจชั่วครั้งชั่วคราวผ่านมาผ่านไปก็ไม่ใช่ตัวเราอีกเห็นจิตเห็นใจนะจิตเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเห็นว่าจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลง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 นี่ดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนะวันหนึ่งปัญญามันแก่รอบพอมันรู้เลยขันห้ามมันทำงานไม่ใช่เราทำงานกายไม่ใช่ตัวเรากายก็ส่วนกายไม่มีตัวเราในกายจิตก็ส่วนจิตไม่มีตัวเราในจิตกายมันทำงานจิตมันทำงานไม่ใช่เราทำงานนี่ดูอย่างนี้เรื่อยๆถ้าเป็นพระโสดาบันก็เห็นว่าตัวเราไม่มีแล้วฉะนั้นต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาสองตัวนะตัวที่หนึ่งคือสติ ตัวที่สองคือสัมมาสมาธิการจะให้เกิดสติคือหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆมันโกรธก็รู้มันโลภก็รู้มันหลงก็รู้หัดรู้สภาวะเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นเลยว่าสภาวะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสุภูมิรู้ของจิตบางคนฝึกตรงนี้ก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้เลยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสุภูมรู้ของจิตร่างกายก็เป็นของที่จิตรู้นะอะไรๆก็เป็นของที่จิตรู้ ความสุขความทุกข์ก็เป็นของที่จิตรู้โลภโกรธหลงก็เป็นของที่จิตไปรู้นี่จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาถ้าใช้วิธีนี้ก็ได้เหมือนกันนะเห็นไหมเยอะแยะง่ายจะตายไปแต่วิธีที่ถูกเทียบกับวิธีที่ผิดแล้ววิธีที่ผิดมันเยอะกว่าเยอะกว่าจนไม่รู้จะเทียบกันได้อย่างไรวิธีที่ถูกเหมือนจุดอยู่บนปลายเข็มเล็กๆวิธีที่ผิดมันเกลื่อนไปหมดเลยเต็มแผ่นดินเต็มโลกฉะนั้นต้องเรียนให้รู้หลักพยายามรู้สึก เมื่อกี้ตอนที่หลวงพ่อหยุดพูดแวบหนึ่งรู้สึกไหมว่าจิตแอบไปคิดจิตเผลอแวบลองเอาหัวแม่มือตัวเองขึ้นมาดูหัวแม่มือตัวเองเข้ามีสองพวกนะพวกหนึ่งจิตสายไปสายมาดูออกไหมอีกพวกหนึ่งจิตไหลไปอยู่ที่หัวแม่มือจิตสายไปสายมานี่คือจิตมันฟุ้งซ่านจิตไหลไปอยู่ที่หัวแม่มือนี่คือจิตไปเพ่งตัวที่ผิดมีสองอันอันหนึ่งหลงฟุ้งซ่านไปอันหนึ่งก็หลงไปเพ่งเอาไว้หัดดูนะ ว่างๆก็ดูหัวแม่มือบ้างดูนิ้วชี้บ้างดูของตัวเองไม่ต้องไปดูของคนอื่นเดี๋ยวจะไปวิจารว่าเล็บเข้าสกกรกดูของเราเองมีข้อแก้ตัวให้เสมอนี่คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลามาคอยรู้นะบางทีเราจะดูหัวแม่มือเนี่ยจิตสายใหญ่สายสายสายเรารู้ทันว่าจิตสายนี้ใช้ได้แล้วเรียกว่าหัดรู้ทันจิตจิตไหลไปนิ่งๆอยู่ที่หัวแม่มือก็รู้ทัน ตรงที่จิตสายไปสายมาเนี่ยสุดต่งไปข้างหลังข้างฟุงซ้านตรงที่จิตไปนิ่งอยู่ที่หัวแม่มืออันเดียวนี่เรียกว่าจิตที่เพ่งจิตที่บังคับไว้ตรงที่จิตสายไปสายมาหลงตามกิเลสไปนี่เรียกว่าการมาสุขขลัลธิานุโยคตรงที่เพ่งไว้ในอารมณ์อันเดียวเรียกว่าอัตตกิลมัฐานุโยกแล้วตรงไหนที่ถูกตรงที่รู้นั่นแหละถูกเช่นเห็นจิตสายไปสายมารู้ว่าจิตสายไปสายมา อันนี้แหละคือรู้ไปเพ่งหัวแม่มือจิตไหลเข้าไปอยู่ในหัวแม่มือรู้ว่าจิตไหลเข้าไปอยู่ในหัวแม่มืออันนี้แหละเรียกว่ารู้เห็นไหมฉะนั้นดูหัวแม่มืออันเดียวอาจจะเป็นพระอรหันต์ได้นะเพราะว่ามันคลุมสภาวะไว้สามอย่างเลยนึกออกไหมเวลาเราดูหัวแม่มือจิตเราสายไปสายมาหนีไปเรื่อยนี่จิตฟุง้งซ่านตามกิเลส ต, ต่างๆบางทีก็ฟุ้งไปทางราคะโทสะโมหะอีกอันหนึ่ง นิ่งสงบอยู่ในอารมณ์อันหนึ่งอันเดียวนี่พวกติดเพ่งพวกหนึ่งเผลอพวกหนึ่งเพ่งแล้วก็ตัวที่รู้ว่าเผลอตัวที่รู้ว่าเพ่งนี่เรียกว่ารู้หัดแค่นี้ง่ายๆหลวงพ่อจับกรรมาฐานอะไรมันง่ายหมดเลยแต่ก่อนจะง่ายก็ยากสาหัสกว่าจะจับแก่นของมันได้จับหลักของมันได้แต่เดิมก็คิดเหมือนพวกเราแหละว่าทําอย่างไรมันจะดีเช่นรู้ลมหายใจดีหรือจะรู้ท้องพองยุบดีหรือจะเดินจงกรมดีหรือจะนั่งสมาธิดี หรือต้องทําความสงบก่อนสงบแล้วต้องมารู้กายก่อนไหมหรือจะดูจิตไปเลยก็คิดเหมือน ก, นกันกับพวกเราคิดนั่นแหละถ้าเข้าใจหลักแล้วจะรู้ว่าอะไรก็ได้ที่ถูกกับจริตนิสัยของเราถ้าถูกหลักแล้วอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยถ้าผิดหลักแล้วอะไรก็ผิดทั้งนั้นแหละการปฏิบัติไม่ยากหรอกฟังหลวงพ่อสมวันสีวันเดี๋ยวก็เป็นแล้วมันง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยส่วนใหญ่มันชอบไปเพ่งเอาเพ่งเอามันจะได้อะไรก็ได้เพ่งนะสิ เพ่งหัวแม่มืออย่างนี้เพ่งใจไปจ่ออยู่ในหัวแม่มือได้อะไรมันก็ได้แต่ความสงบเพ่งแรงเกินไปก็ได้ความเครียดเพ่งพอดีพอดีก็ได้ความสุขความสบายเอาแค่นั้นเหรอชีวิตตื้นเกินไปพยายามรู้สึกตัวใจลอยไปก็รู้ใจแอบไปเพ่งไว้ก็รู้ฟงว่างก็ไปนั่งซ้อมนะนั่งซ้อมดูหัวแม่มือจิตสายไปสายมาก็รู้ว่า น, นี่ฟุ้งซ่านจิตเพ่งอยู่ในหัวแม่มือก็รู้ถ้าจิตสายไปสามาแล้วรู้ นี่เรียกว่ารู้ใจมันจะตื่นขึ้นมาจิตไปเพ่งจิตไหลเข้าไปอยู่ในหัวแม่มือรู้ว่าจิตไหลไปก็จะตื่นขึ้นมาเองรู้ทันจิตเมื่อไหร่จิตก็จะตื่นเมื่อนั้นแหละถ้ารู้ไม่ทันจิตจิตก็หลงเมื่อนั้นแหละแต่ไม่ใช่ว่าต้องตื่นตลอดเวลารู้ตลอดเวลาไม่จำเป็นนะรู้เท่าที่รู้ได้แต่ให้บ่อยหน่อยอย่าให้น่าเกลียดถึงขนาดสาวันรู้ทีหนึ่งมันทุเล็เกินไปนะพยายามรู้สึกตัวรู้สึกตัวบ้าง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 เรายืนเดินนั่งนอนเราโลภเราโกรธเราหลงถ้าใจมีสัมมาสมาธิจะเห็นว่าร่างกายมันเป็นคนทําจิตใจมันเป็นคนทำมันเหมือนเราดูละครกายนี้เล่นละครให้เราดูจิตก็เล่นละครให้เราดูเราเป็นแค่คนดูละครอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปเป็นผู้กํากับเวทีคอยแทรกแซงอย่าไปเป็นนักประพันธ์แต่งบทให้เขาเล่นต้องคอยทําตัวเป็นแค่คนดูแล้วก็ไม่ใช่นักวิจารณ์ด้วยไม่ต้องวิจารณ์ว่าละครเรื่องนี้ดีไม่ดี คอยดูกายดูใจตัวเองเล่นละครไปเรื่อยแล้วเขาจะสอนธรรมะเรา